มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกาปัญหาตัทยวั์ตถาคตาสะภรุสวาจานัถีติปัญหาที่สองถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นกายสุจริตวจีสุจริตไม่กล่าวคำหยาบ เหตุไรรุกรานพระสุธินด้วยคำว่าโมคะบุรุษเล่าราชาสมเด็จพระมกษัตริย์จึงมีพระราชองค์การถามอัธปัญหาสืไปเล่าว่าพันเตนาคเสนาสถทุสะพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนผู้ปรีชาชาติพรหมจารีรุ่งเรืองในศีลภาสิตังเจตังถ้อยคำอันนี้ พระธรรมเสนาบดีสาริบุตรอัครส า, าวกเบื้องขวากล่าวไว้ว่าอาวุโสดูกะระอาวุโสตถาคตโตสมเด็จพระพุทธเจ้าส่งไว้ซึ่งกายะสมาจารและวจีสมาจารพระกายก็อ่อนน้อมพระพุทธภาษิตก็อ่อนหวานสมเด็จพระพิชิตมารจะได้ประพฤติเป็นการกายะทุจริตวจีทุจริตด้วยหยาบช้าทารุณหาบ่ ไ, ได้ ยังตถาคโตรักเขยยะสมเด็จพระบรมไตรยโลกกานาเจ้ามิได้เป็นกายยทุจริตวจีทุจริตผู้ใดฟังพระพุทธภาษิตแล้วยาติเตียนครหาปุณะจะปรังครั้นมาใหม่เล่าพระธรรมเสนาบดีเจ้ากล่าวว่าตถาคโตสมเด็จพระตถาคตทศพลเจ้าเมื่อพระสุธินกาลันทบุตร เสพเมถุนด้วยบุราณะทุติยกานั้นทรงบัญญัติศิขาบทปาราชิกเรียกพระสุทินด้วยคำอัญญาบช้าว่าโมคะบุรุษเหตุชะนี้พระกาลันทบุตรได้ฟังพรุสวาสของสมเด็จบรมนาถก็มีจิตสะดุ้งอุตรราชวาดวันนักหนาเดือดร้อนกินแหนงน้ำใจจึงมิอาจได้ซึ่งอริยมรรคนี่แหละคาเป็นสองอยู่ชะนี้ ไม่รู้ที่จะฟังข้างไหนครั้นจะเชื่อคําภายหลังที่ว่าสมเด็จพระบรมโลกาณาตราภรุษาวาสกับพระสุทินนั้นคําเดิมที่ว่าสมเด็จพระสัพพัญยูเป็นกายสมาจารวาจีสมาจารนี้ก็ผิดเป็นมิจฉาครั้นจะเชื่อเอาคําเดิมคําภายหลังจะเป็นมิจฉาอายังปันโโหอันว่าปัญหานี้ อุพโตโกติโกเป็นอุพโตโกติตาวานุปปตโตมาถึงพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจงวิสัชน า, นาการบัดนี้พระนาคเษนมีเถระวาจาว่ามหาราชคอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้เป็นเจ้าธรณีซึ่งถ้อยคําพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรว่าสมเด็จพระมหาการุณาที่คุณเจ้า เป็นกายยสมาจารวจีสมาจารจะได้ประพฤติเป็นการกายยทุจริตวจีทุจริตหาบ่อมิได้นั้นคํานี้ก็จริงอยู่และอีกข้อหนึ่งว่าสมเด็จพระสัพพันธ์อูเมื่อจะบัญญัติศิขาบทปาราชิกเหตุพระสุทินกระทําการเมถุนธรรมด้วยถ้อยคําว่าเป็นโมฆะบุรุษนี้สมเด็จพระพิจิตามารมุนีก็มีพระพุทธดีกาตรัสจริง แต่ทว่าจะได้เป็นวจีทุจริตหาบ่ไม่ได้เพราะเหตุว่าสมเด็จพระศาสดามิได้มีน้ำพระทัยกโกรธไปจริงๆจะเอาเท็จมิจริงมาใส่โทษแกล้งว่าอวดเขาเล่นหาบ่ไม่ได้ประการหนึ่งคำว่าโมคะบุรุษนี้แปลว่าบุรุษเปล่าคือว่าจะรู้จัตุราริยสัตว์ในอัตภาพเกิดมานี้หาบ่ไม่ได้ถึงมาดว่า จะจเริญเมตตาภาวนาสัตว์เท่าใดและจะกระทำบุญสัตว์เท่าไรก็ดีจะได้สำเร็จเจตุราริยสัตห์หาบ่ไม่ได้เป็นอันขาดเหตุฉนี้แลจึงชื่อว่าโมคะบุรุษนี่แหละสมเด็จพระสัพพันธ์อยู่เจ้าเรียกพระสุทินกาลันธบุตรว่าดูกร ะ, ระโมคะบุรุษดังนี้ด้วยสภาวะจริงแท้จะกล่าวเป็นอภูตวาา คำอันไม่จริงนั้นหาบอมิได้นะบอพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชากฎหมายขราวาดว่าบุคคลด่าเขาแม้เก็บเอาความจริงมากล่าวก็ไม่มีโทษจะต้องถูกปรับสินไหมเพราะถึงเรื่องที่ยกขึ้นด่าว่าเขานั้นจะเป็นเรื่องจริง ก็ใช่เหตุที่จะถือเอาเป็นเล่ดด่าเขาเล่นเป็นการไม่สมควรเลยพระนาคเกษนมีเถระวาจาว่ามหาราชขอถวายพระพรบุคคลกระทำผิดนี้ควรที่จะไหว้จะบูชาให้บรรณาการเงินทองไม่ต้องโทษหรือประการใดสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชาจึงมีพระราชโอค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนาะ ข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาซึ่งว่าคนกระทำโทษผิดนั้นจะได้รับรางวัลเงินทองหาบบ่ไม่ได้แต่ไหนแต่ไรมาไม่มีเลยพระนาคเษนจึงถวายพระพรว่ามหาราชะขอถวายพระพรถ้าแม้ว่าบอพิษมีพระราชโองการตรัสชนีกิริยาที่พระมาหากรุณาตรัสเรียกพระสุทินนั้น เป็นกิริยาที่พระองค์กระทำถูกทีเดียวผิดหาไม่ได้เพราะพระสุทธินกระทำไม่ดีกระทำผิดควรจะติเตียนกล่าวโทษพระองค์จึงตรัสตามที่กระทำไม่ดีกระทำผิดใช่ว่าพระสุทธินกระทำดีกระทำถูกเมื่อไรเล่าสมเด็จพระเจ้ามิลินบูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชา ถาคโตสมเด็จพระมหากรุณาที่คุณเจ้าผู้ประเสริฐนี้เป็นที่เคารพยำเกรงกลัวละอายแกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ประพฤติสมควรจึงจะเข้าไปหามาสู่ได้ถ้าผู้ใดกระทําผิดสมเด็จพระพิชิตมารเจ้าก็สั่งสอนให้ละพยศอันร้ายพระองค์หมั่นเอาพระทัยใส่ดูแลสัตว์ทั้งหลาย มิได้กระทําผิดทุจริตลามกโกหกมายากรณีหรือพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนจริงอุปมาเปรียบอีกเล่าว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษผู้ประเสริฐเปรียบปานดุจหนึ่งว่าแพทย์อันพยาบาลโรคที่มีเสมหะโทษในโกดประเทศลำไส้วิเรจานานิเทติ แพทย์นั้นจะวางยาถ่ายเพื่อให้เสมหะอันร้ายในลำไส้เสียให้โรคนั้นระงับหรือจะทำอย่างไรมหาบ่อผิดพระเจ้ามิลินจึงมีพระราชโอลงการตรัสว่าพันเตฆ่าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาอาโรคขยะกาโมแพทย์ผู้ใคร่จะพยาบาลรักษาโรคนั้นให้หายจะต้องวางยาปัดให้กัดถ่ายเสมหะโทษในลำไส้เสียให้หมดนะสิพระผู้เป็นเจ้า พระนาเคเกษจิงถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบพิษผู้ประเสริฐสมเด็จพระบรมโลกนาณาเจ้าผู้เลิศาศาสดาก็ทรงพระกรุณาทายสัตว์ทั้งหลายที่ควรจะรุ่ายด้วยธรรมเพศสัตว์บำบัดเสียซึ่งโรคคือกิเลสอันหนาถึงพระองค์จะต้องเจรจาพุษสวานก็ตรัสประพาสด้วยรักสัตว์เอนดูสัตว์กรุณาสัตว์ ตั้งพระทายปรารถนาจะบำบัดเสียซึ่งโรคร้ายคือกิเลสแห่งสัตว์ให้หายพระวาจาของพระบรมโรคกานาตนั้นแม้จะเป็นพุทสวาสดยาบคายก็ควบคุมสัตว์ให้สนิทสนมและทําสัตว์ให้อ่อนโยนได้เหมือนยาถ่ายถึงจะเป็นยาปัดก็เป็นประโยชน์แก่โรคฉะนั้นอันหนึ่งขอถวายพระพรเปรียบดุจอุทากัง แม้ร้อนก็คุมสิ่งที่ร่วมอันควรจะติดกันได้แม้แข็งกระด้างมิอ่อนต้องน้ำร้อนนั้นก็จะกลับอ่อนไปความนี้มีครุวนาฉันใดพระวาจาสมเด็จพระโลกกนายกเจ้าถึงจะเป็นพรุสวานอัถวันตีสามารถที่จะให้เป็นประโยชน์สอดทิผลแกสาธุชนทั่วโลกการุณยสหคตา ย่อมสหรคตระคนปนไปด้วยพระกรุณามหาราชะขอถวายพระพรเปรียบดุจถ้อยคำบิดาอัฐวันตังมีแต่ว่าให้เป็นประโยชน์โสติผลแก่บุตรการุณย ะ, ะสหรคตระคนปนเจือไปด้วยความกรุณายะถามีครุวนาฉันใด วาจาของสมเด็จพระบรมครูผู้ประเสริฐเจ้านี้อัถวันตีมีประโยชน์โสดที่ผลระคนปนเจือไปด้วยพระกรุณาแกสัตว์ทั้งหลายเหมือนบิดาอาภิปรายสอนบุรฉนั้นอหนึ่งเล่ามหาราชะขอถวายพระพรวาจาของสมเด็จพระมหากรุณาพระรุษาปิแม้จะหยาบช้ากิเลสานางนาสนา มีกิริยาบำบัดตัดเสียซึ่งกิเลสแห่งสัพพสัตว์อันเวียนไหวในวัตะสงสารมหาราชะขอถวายพระพรอมะตังปานประดุดน้ำอมฤตธาราสีตังอันเย็นนักหนาปายิตังบุคคลผู้ใดได้ดื่มกินเข้าไปพยาทิงหันติ อาจกำจัดบำบัดพยาที่รูขาไข้ในกายให้หายเป็นสุขสืบชันสายะถามีอุปมาฉันใดพระวาจาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถอาจสามารถจะดับทุกขให้สุขสมมสรณกัตสจิทุกขังบ่อหอนจะให้ทุกแก่ผู้ใดมหาราชะขอถวายพระพรจะเปรียบฉันใด อุปมาเหมือนปุยนุ่นอันใหญ่กายเยนิปฏิตวาตกต้องตัวผู้ใดนรุชังกโรติมิได้เสียบแทงให้เจ็บปวดเวทนายะถามีครุวนาฉันใดพระวาจาสมเด็จพระบรมไตรโล ก, กนาถจะเสียบแทงบุคคลให้เจ็บใจหาบ่ไม่ได้ขอถวายพระพรราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชา ได้ฟังก็ทรงพระโมสอนสาธุ ก, การซึ่งคำแก้ปัญหาในการนั้นตถาคตรสระภรุษวาจานถีติปัญหาเป็นคำรบสองจบเท่านี้